สละราชสมบัติดูก่อนพระาาราชาบางพระองค์ทรงมีปุพภูปณิชัยในทางธรรมแม้ว่าเสมอสุขอยู่ในราชสมบัติอันมหาชนใฝ่ฝันหาคณะก็ยังทรงมีพระหฤทัยน้อมไปในการสแสวงหาธรรมเช่นพระราชากัปปินะแห่งกากุตตะวดีนครเป็นผู้ทรงสละโลกไปเพื่อธรรมมีเรื่องที่น่าสนใจดังนี้ในอดีตการนานไกล พระราชากัปปินะเกิดเป็นหัวหน้าช่างหูในหมู่บ้านหนึ่งใกล้นครพาราณสีครั้งนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณพันรูปพักอยู่ไม่ไกลาจากนครพาราณสีเมื่อถึงฤดูฝนท่านต้องการทําเสนาสนะเป็นที่อยู่อาศัยจึงส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าแปรูปเป็นผู้แทนไปเฝ้าพระราชาเพื่อขอพระบรมราชาลูกเห์ในการสร้างเสนาสนะ บังเอิญเวลานั้นเป็นเวลามีงานมงคลแลกนาขวัญพระราชาทรงมีพระราชภารกิจยุ่งอยู่ถึงกระนั้นเมื่อทรงทราบว่าพระปัจเจกทธเจ้ามาเฝ้าก็สเสด็จออกมาต้อนรับทรงทราบความประสงค์ของท่านแล้วจึงตรัสว่าเพราะคุณเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเลยเพราะกําลังเตรียมงานแรกนาขวัญซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้เมื่อเสร็จงานแรกนาขวัญแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ทำเสนาสนะถวายในวันบรืนนี้แม้ตรัสดังนี้ก็ตามแต่ไม่ได้ทรงอานาพระปัจเจกพุทธเจ้าวไว้พระปัจเจกพุทธเจ้าดำริว่าเราควรไปขอความอนุเคราะห์จากที่อื่นดังนี้แล้วก็หลีกไปขณะเดินทางกลับได้พบพัญญาของหูหน้าช่างหูนางถามความทราบแล้วจึงมีจิตเตื่อมใสนิมนต์ให้รับอาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้น พวกเรามีมากด้วยกันน้องหญิงพระปัจเจกับพุทธเจ้าบอกมีประมาณเท่าไรท่านผู้เจริญมีประมาณพันรูปท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามีประมาณพันคนเหมือนกันคนหนึ่งจัดถวายพิษาแด่พระคุณเจ้ารูปหนึ่งขอท่านจงรับพิษาที่บ้านของข้าพเจ้าเถิดพระปัจเจกับพุทธเจ้ารับอราธนานางเสร็จธุละแล้วจับเข้าไปในบ้าน เที่ยวเปล่าประกาศให้เพื่อนบ้านทราบว่าได้นิมนต์พระปจเจ้าพุทธเจ้าพันรูปไว้ขอท่านทั้งหลายจงจัดแจงที่นั่งจัดอาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้น ได้สร้างป ร, รมใหญ่กลางบ้านให้ปูอาสนะไวเรียบร้อยเลี้ยงพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยโภชชนะอันประนีตเมื่อเสร็จพัฐกิจแล้วนางได้พาหญิงบริวารพันคนนมัสการพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วขอให้ท่านรับปฏิญาในการอยู่จำพรรษาที่นั่นเมื่อท่ารับแล้วนางก็เป่าประกาศขอแรงเพื่อนบ้านให้ช่วยกันสร้างเสนาสนะถวาย ในวันออกพรรษานางได้ชักชวนคนทั้งหลายให้ถวายจีวรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าที่อยู่ในบนารรณาศาลาของตนของตนพระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วลาจากไปนางและบริวารทำบุญอย่างนี้ไปเกิดในภพดาวดึงมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนาม ว, ว่ากาัตรปเทพประบุตรและเทพธิดาเหล่านั้นเกิดในกรุงพาราณสีอีกหัวหน้าช่างหูกเป็นบุตรของกุดุมพีใหญ่ ปัญญาของเขาได้มาเกิดเป็นธิดาของกุดุมพีใหญ่เหมือนกันเมื่อเจริญวัยแล้วก็แต่งงานกันส่วนบริวารก็มาเกิดในสกุลกุลุมพีบริวารและได้แต่งงานกันเหมือนกันวันหนึ่งมีการเปล่าร้องให้คนไปฟังธรรมในวัดพวกกุลุมพีเหล่านั้นก็ชวนกันไปเมื่อไปถึงกลางวัดฝนก็ตกลงมาคนพวกอื่นที่มีภิกษุหรือสมมเนนที่คุ้นเคยกันก็เข้าไปอาศัยกุฏิของภิกษุ หรือสามเณรนั้ น, น, นแต่พวกกุดุมพีพันคนไม่มีญาติหรือภิกษุ ส, สามเณรที่สนิทสนมเลยจึงยืนตากฝนอยู่กลางวัดหัวหน้ากุฎุมพีรู้สึกละอายในสภาพเช่นนั้นของตนจึงกล่าวกับกุฎุมพีทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงดูอาการอนากร็ชของพวกเราเถิดสุดท้ายพวกเขาได้ทำการเรียรยกันเพื่อรวบรวมเงินสร้างเสนาสนะผู้เป็นหัวหน้าออกพันหนึ่ง บริวารออกคนละห0 0ร้อพวกผู้หญิงออกสองร้อาทำที่ประทับของพระศาสดามีเรือนยอดผานหลังเป็นบริวารเมื่อเสนาสนะเสร็จแล้วได้ถวายมหาทานแด่พิสุสงมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขตลอดเจวันจัดจีวรถวายสงสองหมื่นรูปพัญญาของหัวหน้ากุดุมพีได้ถวายพ้าอบดอกอังกาบและผ้ามีสีดอกอังกาบราคาพันหนึ่ง แล้วกราบทูลพระาศาสดาว่าด้วยอนุภาพแห่งทานนี้ขอหม่อมชันจงมีศรีระดุดดอกอังกาบในชาติต่อไปและขอมีชื่อว่าอโนชาพระเจ้าค่ะพระาศาสดาทรงอนุโมทนาชนเหล่านั้นทั้งหมดตายแล้วเกิดในเทวโลกมาในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมของเรานี้คนเหล่านั้นลงมาเกิดในมนุษยโลกหัวหน้ากุดุมพีเกิดในราชสกุลในกุกุตะวดีนคร ต่อมาได้เป็นพระราชาพระนามว่ามหากัปปินะคนอื่นๆเกิดในสกุลอํามาต์ได้เป็นราชบริวารส่วนพัญญาของหูหนากุดุมพีเกิดในราชาสกุลในนครสาละแควนมัทะพระนาง ม, มีผิวดังดอกอังกาบมีพระนามว่าอโนชาสมพระปณิธานพระทรงเจริญไวัยได้อภิเสกกับพระราชาพระนามว่ากัปปินะแห่งกุกุตะวดีนคร แม้ทรงเสวยสุขในสิริราชสมบัติเยี่ยงพระราชาผู้มีบุญญาธิการอันเคยกระทําไว้แล้วมากกว่าจริงแต่บูรพภูปนิสัยอันเคยสั่งสมไว้กับพระธนะไตรคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คอยกระตุ้นเตือนพระหฤทัยอยู่เสมอให้น้อมไปนในการหน่ายออกจากกามสุขและน้อมไปนในการสแสวงหาเนคข ม, มสุขคือความสุขอันเกิดจากธรรมทรงรู้สึกว่ากามสุขเจืออยู่ในทุกข์ เจืออยู่ด้วยความวิตกกังวลมีภัยมีเรื่องต้องหวาดระแวงมากโรคเสียงเกลิ่นลดปฐพะอันรวมกันเป็นกรรมกุลกลุ่มกามนั้นเมื่อมองด้วยสายตาของผู้มีปัญญาแล้วก็เป็นบ่วงที่ดักสัตว์โลกให้ติดอยู่คล้องอยู่พัวพันลุ่มหลงอยู่ภัยบิบัติอันตรายต่างๆตามมาเพราะความลุ่มหลงมัวเมาในการมสุขนั้นเหมือนเนื้อที่ติดบ่วง ถ้าองค์เป็นพระราชาทรงมองเห็นตัวอย่างของประชาชนเป็นอันมากที่ต้องถูกจองจำทาโทษแม้ถูกตัดสินประหารชีวิตก็มีเพราะการกระทำผิดอันมีการเป็นเหตุเป็นปัจจัยบางรายข่มขืนสตรีบางรายประพฤติผิดในพัญญาของผู้อื่นบางรายแย่งสามีกันทุบตีกันบางรายมีลูกมากเกินไปหาได้ไม่พอใช้ต้องประพฤติ ท, ทุจริตในทรัพย์สินของผู้อื่น บางรายแย่งหญิงคนเดียวกันต้องทุบตีฆ่าฟันกันบางรายความรักไม่สมหวังต้องตรอมใจจนสิ้นชีวิตหรือทำอัตตะฆาตกรรมความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเหล่านี้ล้วนมีการเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งสิน้นทรงเห็นด้วยปัญญาว่าโลกของกา ร, รเป็นโลกที่รกชัดยุ่งเหยิงเศร้าหมองไม่ปลอดโปร่งความสุขที่ปราศจากกรรมน่าจะเป็นความสุขที่ ละเอียดปราณีตพ่องแผ้วไม่ต้องระแวงภัยใครเล่าจะเป็นผู้นำพระองค์ให้เดินออกไปจากทางรกชัดหรือเรียวหนามแห่งกามนี้เสียได้ทรงทราบว่าอัครบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นแลจะสามารถชักจูงคนให้พบความสุขที่สงบปราณีตไม่เจือด้วยกามแต่บัดนี้บุคคลอย่างนั้นได้อุบัติขึ้นในโลกแล้วหรือไม่หนอ ทรงให้ราชบุรุษเที่ยวขี่ม้าส่องแสวงหาอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ข่าววันหนึ่งพระราชาทรงม้าชื่อสุปัตเสด็จไปยังพระราชุทยานมีอมาตย์พันหนึ่งแวดล้อมเป็นบริวารพอดพระเนตรเห็นพวกพ่อค้าม้าประมาณห้าร้อยมีอาการอ่อนเพลียรทรงดมฤริว่าคนพวกนี้เดินทางมาจากเมืองไกลคงจะมีข่าวดีอะไรบ้างจึงรับสั่งให้พวกพ่อค้าบักเฝ้า ตรัดถามเรื่องราวต่างๆทรงทราบว่าพวกพะค้าม้านั้นมาจากเมืองสาวัตถีมีข่าวอะไรที่น่าสนใจในบ้านเมืองของท่านบางังไม่มีพะยาคะมีแต่ข่าวการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพะยาคาเพราะได้สดับว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกแล้วเท่านั้นพระสรีระของพระราชาก็เปี่ยมด้วยปีติทั้งห ทรงตื่นตันพระไทยทรงถามซ้ำถึงสามครั้งไม่ได้รับการยืนยันแน่นอนจึงพระราชทานทรัพย์ให้พ่กข้ามาเหล่านั้นสามแสนค่าที่นำข่าวรัตนะทั้งสามมาให้พระองค์ทรงทราบ พ, พระราชาตัดกับอำมาตย์ทั้งหลายว่าพระองค์จะไม่เสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังอีกจกเสด็จออกบวชในสำนักของพระาศาสดาอำมาตย์เหล่านั้นก็ถวายปฏิญญาว่า จะตามเสด็จด้วยพระราชาจึงส่งพระราชสารถึงพระนางอโนชาเทวีว่าให้พระนางเสวยราชสมบัติแทนพระองค์ฝากไว้กับพ่อค้ามาให้นําไปถวายพระราชเทวีพวกอมาตก็เขียนสารถึงปัญญาของตนของตนเช่นนั้นเหมือนกันพระราชาเสด็จออกจากพระราชุทยานมุ่งพระพักสู่นครสาวัตถีแม้อ მ าท์ทั้งพันก็ตามเสด็จเช่นกัน เช้าวันนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจ ด, ดูอุปนิสัยของสัตวโลกได้ทรงเห็นเรื่องราวของพระมหากัปปินะและพระอุปนิสัยแห่งอรหัตผลแล้วจึงเสด็จมาแต่เชา้าเสด็จมาต้อนรับพระราชามหากัปปินะสิ้นระยะทางหนึ่งรยี่สิบโยต์ประทับนั่งเป่งลัศมีอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำจันทภาคา พระราชาเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำหนึ่งชื่ออาระวะปัชาว่าไม่มีเรือหรือแพจะข้ามฝากจึงตรัสว่าเมื่อพวกเรามัวคิดหาเรือหรือแพอยู่ความเกิดย่อมนำไปสู่ความแก่ความแก่นำไปสู่ความตายเราไม่มีความสงสัยในคุณพระรัตนตรยัยเราบวชอุทิศพระรัตนตรยัยด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นขอน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลย ดังนี้แล้วระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วทรงขับม้าลงในแม่น้ําพร้อมด้วยอํามาตะพันคนม้าทั้งหลายวิ่งไปเหมือนวิ่งบนแผ่นหินปลายกีบก็ไม่ได้เปียกน้ําทรงพบแม่น้ําอีกสายหนึ่งชื่อนีละวาหนาะทรงระลึกถึงพระคุณของพระธรรมว่าพระธรรมอันประผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นข่าแม่น้ํานั้นไปโดยนัยก่อน วสเดจมาถึงแม่น้ำจันทภาคาทรงระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นแล้วทรงน้อมพระมนตรอธิษฐานให้ม้าข้ามไปได้โดยในยักษ์ก่อนเมื่อทรงข้าแม่น้ำจันทภาคาได้แล้วได้ทอดพระเนตรเห็นรัศมีหกสีอันพุ่งจากพระสรีระของพระาศาสดากิ่ง พาคบละใ บ, บและต้นของต้นไซมีสีดังทองคำพระราชาทอดพระเนตรเห็นสิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นจึงทรงดารีว่าแสงสว่างนี้ไม่ใช่แสงจันทร์ไม่ใช่แสงอาทิตย์หรือแสงสว่างแห่งเทวดามารพรมเป็นต้นการที่เราออกบวชอุทิตพระมหาสระโคดมนั้นพระองค์คงจะทรงทราบแล้วเสด็จมาต้อนรับเป็นแน่แท้ดังนี้แล้ว จึงเสด็จลงจากหลังมาน้อมพระกายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามสายแห่งพระรัศมีเสด็จเข้าไปภายใต้พระรัศมีประหนึ่งว่าดำลงไปในมโนศิลารถถวายบังคมแล้วแล้วประทับนั่งอยู่พร้อมด้วยอมมาต์ทั้งพันคนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงต้อนรับและทรงแสดงอนุปปุพิกถาื่อจบอนุปุพิกถา พระราชาและบริวารได้สำเร็จโสดาปติผลด้ลุกขึ้นทูลขอบรระชาอุปสมบทพระศาสดาทรงใคร่ครวญว่าบาตรและจีวร อ, อันสำเร็จโดยฤทธิ์ของพวกคนพวกนี้มีหรือไม่นอทรงทราบบุตรพยานว่ามีเพราะอนิสงส์ที่เคยถวายจีวรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสงฆ์สองหมื่นรูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก ในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะดังนั้นการที่พวกเขาจะได้บาตรและจีวร อ, อันสำเร็จฤทริต จ, จึงไม่ใช่ของอัศจรรย์ดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัตต์ออกพลางตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบเถิดกุลบุตรเหล่านั้นมีพระราชาบปินาเป็นประธานได้บวชสมปรารถนาแล้ว พวกพ่อค้ามานําความทั้งปวงไปกราบทูลพระนางอโนชาเทวีพระนางทรงทราบแล้วทรงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระราชาทรงเต็มตื้นไปด้วยปีติโสมนัสพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้ามาครั้งละสามแสนสามครั้งรวมเก้าแสนรวมทั้งที่พระราชาพระราชทานด้วยเป็นสิบสองแสนคนเหล่านั้นได้รับทรัพย์ มากถึงป่านี้ด้วยเหตุเพียงนำข่าวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นพระนางอนชาเทวีทรงารีว่าการที่ยอมรับราชสมบัติที่พระราชาทรงสละแล้วนั้นเป็นเสมือนทรงคุกเขา่ารับก้อนเขระน้ำลายที่พระราชาบ้วนทิ้งแล้วใครเล่าจะทำได้ ร, ราชาสมบัตินี้ได้นาความทุกข์มาให้ไม่เพียงแต่พระราชาพระองค์เดียว แต่ได้นำทุกมาให้แก่พระองค์ด้วยเหมือนกันเราไม่ต้องการด้วยราชสมบัติเราจะบวชอุทิศพระาศาสดาเหมือนกันทรงแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พัญญาของพวกอมาทราบแม้พัญญาของพวกอมตะเหล่านั้นก็พร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติและเครือญาติออกบวชตามเสด็จเสด็จข้ามแม่น้ำทั้งสามสายด้วยรถเทียมมาโดยตำานองเดียวกับที่พระราชาเสด็จข้าม เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วทูลถามถึงพระราชสวามีว่าเสด็จออกบวชอุทิศพระพุทธองค์คงจะเสด็จมาที่นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรันรดาลด้วยฤทธิ์มีให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนและรับสั่งว่าขอท่านทั้งหลายจงนั่งฟังธรรมก่อนท่านทั้งหลายจะได้เห็นสามีของท่านณที่นี้เอง หญิงเหล่านั้นมีจิตประเริงยินดีว่าจักได้เห็นสามีของตนพระศาสดาทรงสแสดงธรรมคืออนุปปภิกถามีทานเป็นต้นให้หญิงเหล่านั้นบรรลุโสดาปติผลแล้วส่วนพระมหากขปินาเทระพร้อมทั้งบริวารทรงสดับธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงสแสดงกับหญิงเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลหน้าที่นั่นเองพระศาสดาทรงทราบดังนั้นแล้ว ทรงคลายฤทธิหญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนบวชเป็นพระภิกษุศีรษะโลนมุ่งห่มผ้ากาสายะถ้าพวกเธอเห็นสามีก่อนไดบรรลุธรรมจิตใจจะฟุ้งซ่านไม่ดิ่งลงเป็นหนึ่งแต่เมื่อพวกเธอได้บรรลุโสดาปฏิผลแล้วมีศรัทธาอันไม่คลอนแคลนแล้วพระพุทธองค์จึงให้พวกเธอได้เห็นสามีของตนซึ่งไม่มีอันตรายในการประพฤติพรหมจรรย์อีกแล้วหญิงเหล่านั้นขอบวช พระาศาสดารับสั่งให้เดินทางไปบวชในสำนักของภิกษุณีที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์เองก็ทรงพาภิกษุใหม่ประมาณหนึ่งพันรูปไปสู่วัดเชตวันเหมือนกันบรรดาภิกษุทั้งพันรูปนั้นพระมหากัปปินะจะนั่งจะยืนเดินหรือนอนณที่ใดก็ตามท่านจะเป่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอดังนี้ ภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระมหากัปปินะนี้จะระลึกถึงความสุขในราชสมบัติจึงได้เป่งอุทานดังนั้นจึงนำความข้อนั้นกราบถุนพระศาสดาพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระมหากัปปินะเข้าเฝ้าตรัสถามว่ากัปปินะได้ยินว่าเธอเป่งอุทานปารบกามาสุขและสุขในราชสมบัติจริงหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระองค์ย่อมทรงทราบดีว่าข้าพระองค์เป็นอุทานพระปลาลบกามาสุขหรือไม่พระพุทธองค์ทรงทราบจริงจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายมหากรพินาศบุตรของเราเป็นอุทานหาใช่พระปลาลบปามาสุกไม่แต่เพราะว่าปาลารบเนคขมสุขนิพพานสุขจึงเป็นอุทานเช่นนั้นดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่า ผู้เ อ, อิบอิ่มในธรรมมีใจผ่องใส ย, ย่อมเป็นสุขบัณดิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้ว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 การกระทําเหล่านั้นเพียงเพื่อให้บรรลุถึงความสุขอันเขาต้องการนั่นเองอาจเป็นเพราะเพื่อความสุขในปัจจุบันหรือในอนาคตที่เขาหวังไว้มนุษย์จึงไม่ชอบคนที่ทำลายความสุขของเขาการศึกษาการทำงานความรักและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นต้นก็ได้มุ่งความสุขเป็นผลตอบแทนอาจเป็นความสุขส่วนตัวหรือผู้ที่ตัวรัก ใใหรือความสุขของคนทั่วไปแต่ผลแห่งการกระทำอย่างนั้นก็ให้เกิดความสุขใจแก่ตนอย่างน้อยตนก็พอใจที่ได้ทำอย่างนั้นบอเกิดแทงความสุขความพอใจมีหลายอย่างหลายระดับเราจึงได้เห็นคนสแสวงหาความสุขในทางที่ต่างๆกันบางคนสแสวงหาความสุขในทางการเรียกกามาสุขบางคนสแสวงหาความสุขความพอใจด้วยการบาเพ็ญประโยชน์แก่สังคม บางคนสแสวงหาความสุขจากการประพฤติ ธ, ธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะรับความสุขจากการประพฤติชนั้นท่านเรียกว่าธรรมปีติและนิพพานสุขโดยลําดับรวมความโดยย่อว่าโลกเยสุขอย่างหนึ่งโลกุตลาสุขอีกอย่างหนึ่งมีความสุขอันเกิดจากธรรมเป็นต้นมองเผินๆดูเหมือนว่ามนุษย์เรามีความต้องการมาก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 โลภียสุขทุกอย่างมีความสุขอันเกิดแต่กามเป็นต้นย่อมเจืออยู่โดยทุกขไม่มากก็น้อยเป็นความสุขที่ไม่ค่อยจะปลอดภัยนักส่วนความสุขอันได้จากการปฏิบัติธรรมจนใจสงบปราศจากมีวรเป็นความสุขอันไม่เจือด้วยโทษมีความปลอดภยัยธรรมปีติเช่นนี้มนุษย์ทั่วไปไม่เคยได้รับเป็นความสุขอันผองแพ้วประนีตกว่าเป็นธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้ พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมพอใจต่อความสุขอันเกิดแต่ธรรมรังเกียความสุขทางกามอันปุตชนพากหลงหลายมัวเมากันนักจนถึงต้องทำชั่วเพราะการมเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็มีอยู่เนือง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 เพื่อความหลุดพ้นอันไม่กำเริบอีกดูก่อนท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันศาสนาหรือพรหมจรรย์นั้นจะสำเร็จผลได้กว้างขวางก็ต่อเมื่อประกอบด้วยองค์หดังที่พระศาสดาตรัสไว้คือ 1. มีพระศาสดาที่เป็นเทระบวชนาน 2. มีภิกษุสาวกที่เป็นเทระมีความรู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กล้วกล้าบุรุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคั สามารถจะกล่าวพระสัต ธ, ธรรมได้โดยชอบสามารถแสดงธรรมได้อย่างน่าอัศจรรย์สามารถแก้ข้อข้องใจข้อกล่าวหาประรับประวาทะของผู้อื่นได้ 3. ม, มีพิทุนีสาวิกาที่มีความสามารถเช่นเดียวกัน 4. มีอุบาสกทั้งประเภทพรหมจารีและประเภทครองเรือนที่มีความสามารถอย่างเดียวกันและก็ 5. มีอุบาสิกาทั้งประเภทพรหมจารยณีและประเภทครองเรือน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 จะประเสริฐเท่าการบรรลุธรรมท่านทั้งหลายท่านต้องสถาปนาธรรมขึ้นในโลกเพื่อโลกจะได้ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากคำเสียแล้วโลกย่อมร้อนระอุแห้งผากเหมือนนาข้าวอันหาน้ําหล่อเลี้ยงมีได้ดูก่อนพระราดาคิดให้ดีแล้วท่านผู้สละโลกทั้งหลายนั้นท่านสละโลกเพื่อโลกนั่นเองหาใช่เพื่อใครอื่นไม่ท่านสละโลกไปชั่วคราวเพื่อการตัวให้บริสุทธิ์ ให้มีคุณสมบัติที่ดีเพื่อทำประโยชน์แก่โลกนั่นเองท่านจงดูเถิดดูน้ำทะเลที่เราเหยขึ้นไปกลั่นตัวเองให้บริสุทธิ์แล้วก็กลับตกลงมาทำประโยชน์แก่พื้นดินและพืชพันธ์ทั้งหลายรวมทั้งสัตว์จตุบทวิบาทด้วยพระบรมศาสดาของพวกเราทั้งหลายและพระมหาสาวกมีพระสารีบุตรเป็นต้นก็เป็นเช่นน้าทะเลนั้นท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วฝึกตนได้แล้ว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 ผู้ได้ปัญญาชื่อว่าได้ทุกอย่างทั้งมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติอันเป็นเครื่องระงับความดับทุกข์ทั้งปวงเป็นการปลดเปลื้องภาระอันหนักที่ติดตามนุษย์มาตลอดสังสารวัตอันยาวนานแต่ผู้สอนธรรมนั้นต้องไม่เพียงแต่สอนจากริมฝีปากต้องใช้ธรรมะนั้นออกจากใจของตนให้บานออกมาจากข้างในออกมาจากความรู้สึกอันแท้จริงของตน ไปเถิดพระราดาไปตีกลองธรรมให้ผู้มีโสตได้ยินไปส่องประทีพธธรรมในที่มืดคือโลกอันมืดอยู่ด้วยโมหะนี้เพื่อผู้มีปัญญาจาักสุได้มองเห็นความจริงพระราดาท่านเป็นผู้ถอนตนขึ้นจากโลกแล้วคือมีใจไม่ผัวพันด้วยโลกจึงเป็นผู้สมควรบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกเพราะผู้จะสามารถบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกได้ แท้จริงก็คือผู้สละโลกนั่นเองหาใช่ผู้จมอยู่ในโลกไม่ภิกสุปูนมัติมะไวชื่นชมต่อภาษาของพิษุชราลุกขึ้นอภิวาทด้วยความเคารพขณะที่นั่งประโยงประนมมืออยู่นั่นเองกล่าวว่าท่านผู้เจริญพาสิทธิ์ของท่านน่าชื่นชมพาสิทธิ์ของท่านแจ่มแจ้งยิงนักข้าพเจ้าขอจดจำพาสิทของท่านไว เพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตทั้งเพื่อตนและผู้อื่นตลอดไปเป็นละครรับขอบฟ้าไปแล้วเหมือนม่านดำถูกดึงลงยางความมืดให้แผ่ปกคลุมไปทั่วแต่ว่าดวงใจของพิสุทั้งสองคงสว่างสดใสด้วยแสงสว่างคือปัญญาอันไม่มีแสงสว่างอื่นจะยิ่งไปกว่า